อาโซกะเป็นสุขไม่มีความโศกวิราะชะไม่มีทุลีที่ทำให้ขุนมัวหรือฝ้ามองเขมะปลอดโปร่งกรเกษมสีติภูตะนิพุตะผ่องใสเยือกเย็นสันตุทะเ อ, อิบอิมพอใจนิจชาตะหายหิวผู้ถึงนิพานนั้น จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็เบ่าใจวางใจสนิทเบิกบานใจตลอดเวลาลักษณะที่ควรกล่าวย้ำไว้เพราะท่านกล่าวถึงบ่อยๆคือความเป็นสุขมีทั้งคาแสดงภาวะของนิพพานว่าเป็นสุขคำกล่าวถึงผู้บรรลุนิพพานว่าเป็นสุขและคำกล่าวของผู้บรรลุเองว่าตนมีความสุขเช่นว่านิพพานเป็นบรมสุข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 ก็ต้องมองนิพพานว่าเป็นสุขจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องดังในนิพพานาสูตรอังคุตตระนิกายฉักกนิบาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จักเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิษที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยข้อพินิษที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะ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 จากเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิษที่เกือ้อแก่การบรรลุสัจจะย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ข้อที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยข้อพินิษฐ์ที่เกือ้อแก่การบรรลุสัจจะจากก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ข้อที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามจากบรรลุโสดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออารหัตผลก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แม้นิพพานจะเป็นสุข และผู้บรรลุนิพพานก็เป็นผู้มีความสุขแต่ผู้บรรลุนิพพานไม่ติดในความสุขไม่ว่าชนิดใดใดรวมทั้งไม่ติดเพลินนิพพานด้วยเมื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆจากภายนอกทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นพระอระหรันยังคงเสวยเวทนาที่เนื่องจากอารมณ์เหล่านั้นทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่มีข้อพิเศษตรงที่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 เป็นการเสวยชนิดที่ไม่มีอนุสัยตกค้างที่ว่าพระอรหันต์เสวยเวทนาโดยไม่มีอนุสัยตกค้างนี้เป็นจุดพึงสังเกตสาคัญอย่างหนึ่งคือเป็นความแตกต่างจากกุตชนที่ว่าเมื่อเสวยสุขก็จะมีราคานุสัยตกค้างเสวยทุกขก็มีปฏิคานุสัยตกค้างเสวยอารมณ์เฉยๆก็มีอวิชานุสัยตกค้าง เพิ่มความเคยชินและความแก่กล้าให้แก่กิเลสเหล่านั้นมากยิ่งยิ่งขึ้นแต่สำหรับพระอรหันต์สุขทุกข์จากภายนอกไม่สามารถเข้าไปกระทบถึงภาวะที่ดับเย็นเป็นสุขในภายในความสุขของท่านจึงเป็นอิสระไม่ขึ้นต่ออารมณ์หรือสิ่งต่างๆภายนอกคือไม่ต้องอาศัยอามิตรท่านเรียกว่าเป็นนิรามิสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่านิรามิสุ เพราะนิรามิตสุขชั้นสามันคือสุขในฌานในเมื่อสุขของผู้ถึงนิพพานไม่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกความผันแปรเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายอันเป็นไปตามคติธรรมดาแห่งสภาพสังขารจึงไม่เป็นเหตุให้ท่านเกิดความทุกข์ถึงอารม์6จะแปรปรนเคลื่อนคลาหายลับท่านก็ยังคงเป็นสุขถึงขันหจะผันแปรกลับกลายไปเป็นอื่นท่านก็ไม่เศร้าโศกเป็นทุกข์